ที่ประเทศอินเดียรับธิฐา น, นไม่ไกลาจากพุทธคยาถ้ามีชาวนาคนหนึ่งนะเป็นชาวนารับจ้างทุกวันก็ต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไปรับจ้างทำนาตอนบ่ายนะก็จะมี เมียนี่ก็จะเอาอาหารไปส่งก็ต้องปีนขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาก็าทำอย่างนี้อยู่นานทีเดียวแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าเมียนี่เกิดลงเขาแล้วเกิดอุบัติเหตุนนะทำให้พิการผู้ชายคนนี้นะเขาก็เลย เกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้เขานี่นี่มันสร้างปัญหาให้กับคนมากนะใครขึ้นเขาแล้วก็จะไปทำนานี่ก็เดือดร้อนมากแล้วเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะขุดเขานี่ให้มันเป็นทางเลย เขาที่มันสูงนะหลายสิบเมตรนี่เขาตั้งใจเลยนะว่าเขาจะขุดเขาให้เป็นทางเขาไม่มีเครื่องมือนะก็มีแค่ค้อนมีแค่พลั่วแล้วเขาก็ทำมัณนิดมันหน่อยทำงานก็ต้องทำนะรับจ้างพอว่างก็ขุดถินนะเขานี่หินก็แข็งมากนะ พวกเราที่ไปปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้ดินมันแข็งแล้วนะเกินแข็งสู้ภูเขาไม่ได้ส่วนเมียเขานี่นะเขาก็ไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลได้นะเพราะว่าลงพยาบาลันไกลต้องอ้อมเขาไปเจ็ดสิกบกว่ากิโลนะคนจนอันนี้เรื่องเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาสักห้าสิบปีมาแล้วนะไม่มีรถยนต์นะก็คงมีแค่เกียน ก็ต้องรักษาที่บ้านไปตามมีตามเกิดไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็คงเมื่อคนเจ็บคนป่วยที่นั่นหลายคนนะที่ไม่มีปัญญาเดินข้ามเขาไปโรงพยาบาลแล้ว เ, เขาขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆคนชาว บ, บ้านก็หาว่าเขาบ้าภูเขาเนี่ยลูกใหญ่จะขุดให้มันเป็นทางได้ยังไงให้มันเป็นล่องได้ยังไงเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็ทำไป ทำไปสิบปีเพราะว่าเมียเขาตายเขาก็ยังไม่เลิกนะถึงแม้ว่าทีแรกนี่เขาขุดเขาก็เพราะว่าเป็นห่วงเมียไม่อยากจะให้เมียต้องลาบากขึ้นเขาลงเขามาส่งอาหารให้เขาแต่ตอหลังเมียเขาตายไปแล้วเ้าก็ยังไม่เลิกเพราะเขาคิดถึงชาวบ้านคนอื่นๆว่าเดือดร้อนนะที่ต้องปีนเขาลงเขาเขาก็เลยทาต่อนะทีนี้เนี่ยผ่านไปสิบปีนี่ชาวบ้าน ก็เริ่มเริ่มเห็นใจเขาแล้วก็เริ่มที่จะนับถือน้ำใจของเขาก็เลยมาช่วยกันช่วยกันขุดกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยวันวั น, นึงก็ทำได้ไม่ท่าไหรอกแต่ว่าในที่สุดนะผ่านไปยี่สิบปีนะก็สำเร็จนะสามารถที่จะขุดเขาเนี่ยให้หายไปเป็นล่องเลยนะล่องนั้นก็กว้างประมาณ เจ็ดปดเมตรเจ็ดแปดเมตรนี่ก็เท่ากับเสานะสามต้นอะนะรถสิบล้อผ่านได้สบายเลยแล้วก็ลองนั้นก็ยาวประมาณสักร้อยเมตรได้ลองนี้ยาวร้อยเมตรแต่ว่าช่วยยุดรอริระยะทางได้หลายสิบกิโลเลยนะต่ก่อนจากหมู่บ้านเขาจะไปโรงพยาบาลนี่ก็เจ็ดสิบกว่ากิโลแต่พอตัดภูเขาแล้วนี่ โรงพยาบาลอยู่ห่างแค่กิโลเดียวนะไม่ต้องนั่งรถเดินไปก็ได้เขาก็ทำในยี่สิบปีนะอ่าผู้ชายคนนี้ก็ก็ตายไปแล้วนะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วตอนที่เขาเริ่มทำนี่เขาก็อายุยี่สิกว่ายีนะ่สิบห้าได้เขาก็ทำยี่สิบปีจนอยี่สิบห้าตอนหลังก็มีคนมายกย่องเขานะ ตอนที่เขาตายนี่ทางผู้ว่าการรัฐนะก็ทำพิธีศพให้เขาเหมือนกับเป็นเป็นประมุขของรัฐเลยนะอันนี้ก็มาชื่นชมเขาหลังจากที่เขาทำสำเร็จแล้วแต่ตอนที่เขาเริ่มทำนี่นะเรียกว่าใจเขานี่มันต้องแกร่งยิ่งกว่าหินจริงนะคนที่จะจะจะตัดภูเขาให้เป็นเป็นร่องได้นี่หัวใจต้องแกร่งกว่าหิน เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะมากไม่ใช่แค่ภูเขาไม่ใช่แค่ความยากจนแต่ว่ารวมถึงคเยอะเย้ยถากทางของผู้คนนะว่าบ้าหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นี่สิ่งที่เขาทำมันเป็นอนุสาวรีย์ไปแล้วมีคนบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮานนะนะอาตมาไม่เคยไปทัชมาฮารนะแต่ว่าเป็นเขาชมว่ามันเป็น เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับของพิ่งมมหัศจรรย์ของโลกนะมันเป็นอนุสรณ์สถานที่เรารึกถึงความรักต่อเมียที่จากไปแต่ว่าตัวราชานะที่สั่งการนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่สั่งให้คนไปสร้างทัชมาฮาลขึ้นมาแถมใช้ความทารุณโหดร้ายด้วย สร้างเซนนะช่างนี่ก็ถูกทำให้ตาบอดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปทำที่ที่ไหนอีกให้มันสวยเท่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอถนนเส้นนี้นี่มันเป็นอนุสรณ์ที่ทาด้วยความรักภรรยาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เป็นตัวอย่างคนที่มีความเพียรมาก แล้วก็นักปฏิบัติธรรมเรานี่ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคที่เขาเจอนี่มันหนักกว่าพวกเรามากนะไอเรานี่ก็นั่งแล้วก็นอนหรือว่าปฏิบัติสบายๆไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะอาจจะน่าเบื่ออาจจะเบื่อบ้างง่วงบ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกทรมานเท่าไหร่ น, นี่เขาเอาจอบเอาเสียนี่ขุดทินนะลว้ลวนๆเลย แล้วไม่ได้ทำแค่สามวันเจ็ดวันนวก็ทำอียี่สิบสองปีนะเรามาปฏิบัติทำคนก็ชมนะแต่ว่ า, าลุงคนนั้นนี่ทำไปก็ถูกคนก็หัวล้อยยอบไปแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกนะทำสำเร็จถ้าเราทำความเพียรใช้ความเพียรครึ่งหนึ่งของลุงคนนี้นะหรือว่าเอาหนึ่งในสามก็ได้หนึ่งในสี่ก็ได้นะ หรือหนึ่งในสิบก็ได้นัก็คิดว่าคงจะได้ได้เจออะไรดีๆได้ประสบนะประสบความเจริญก้าวหน้านในการปฏิบัติอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็เต